ว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดได้เลยก้าวไปสู่ปราสาทแห่งกระสัตราธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสตุคสถานใดๆเช่นเดียวกับก้าวไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพยามัจุลาชนี้ เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านหรือขอร้องของใครถ้ามกลางเสียงคล่าครวญอันละคนไปด้วยกลิ่นทูบควันเทียนนั้นท่านได้ยื่นพระหัต์ออกกระชาก ให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เอาไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้น มงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคทาอันมีลวดลายวิจิตก็เปรียบเสมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายเข้ามาถึงพระราชาก็ต้องถอดมองกุฎลงวางทิ้งพระคาถาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถ หรือภาชนะของขอทานไว้ให้ทายาิของตนไข่เล่าจะต่อก่อนกับพระยามจุราผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทรมานมากกว่านี้ พระยามัจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโกรธโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาแต่ก็พระยามัจุราชนี้เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดี มีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันไม่บังควรแม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามและสะคลานตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนา อย่างยิ่งของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภ พ, พเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดลงไปในบ่วงอันมีมหิทฐานุภาพยิ่งนักได้ครองเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอนวตงามเล้ากามาคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่ง เหมือนท่อนไม้อันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้ซสอีกเพราะไม่อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มีได้มีแต่จะเป็นเหยื่อของมูนอนเข้าชอนชัยให้ปรุพุนเน่าเหม็นเป็นที่น่าเสียดสีเยนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่า จะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกเสียจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกได้ระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประกาศและจนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างที่งดงามพลิ้งพลาถ้ามัวแต่เมาให้ร่างอันไรสาระของตนไม่ได้ขวนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐ ที่ปูถนนได้อย่างไรมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีรถเดียวคือวิมุตติรถ น้ำในมหาสมุทรยังมีจำนวนน้อยกว่าน้ำตาของสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในทะเลคือสังสารวัตรทั้งนี้พระองค์ตรัสเพียงเครื่องเตือนใจพุทธสาวกให้เกรงภัยในวัดสงสารเท่านั้นเองมนุษย์เกิดมาต้องร้องไห้เพราะสะเทือนใจในอารมณ์ต่างๆอย่างมากมายจนตัวเองจำเรื่องสะเทือนใจของตัวเองไม่ได้ทั้งหมดก็มี เมื่อยังอยู่ในทะเลคือโลกมีใจยังไม่ข้ามขึ้นจากโลกก็ย่อมจะถูกคลื่นของโลกคือความเจริญความเสื่อมความสุขและความทุกข์คละกันไปเหมือนเราถูกคลื่นอยู่ในทะเลเวลานี้ ชีวิตมีความแตกดับเป็นธรรมดาเหมือนฟองน้ำเหมือนควันไฟเหมือนพยับแดดมันจะแตกดับเร็วหรือช้าก็ต้องแตกดับอยู่นั่นเองอันการต้องพัดพลากจากของรักของชอบใจนั้นเป็นกติกาของโรคประการหนึ่งที่ใครๆผู้ลงสู่สนามคือโลกนี้แล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ได้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า บุคคลมีสิ่งที่รักที่ยึดถือมากเท่าใดก็ต้องประสบทุกข์ประสบกับความเดือดร้อนมากเท่านั้นขอให้เธอคิดว่าโลกนี้คือละครลงใหญ่ซึ่งต้องแสดงบทบาทไปจนกว่าการปิดฉากคือความตายจะมาถึงทุกคนต้องแสดงไปตามเพลงแห่งกรรม เรื่องร้ายในชีวิตของคนนั้นไม่มีอะไรจะร้ายแรงเท่าความตายท่านพยายามทำใจอย่าให้กลัวตายเมื่อไม่กลัวตายเสียได้เรื่องอื่นไม่มีอะไรจะต้องกลัวอีกวิธีฝึกไม่ให้กลัวตายก็คือพยายามนึกเสมอว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนไม่เร็วก็ช้าเมื่อไหนไหนก็จะต้องตายแล้ว จะตายเมื่อไหร่ก็ช่างเถิดและความตายนั้นดูดูไปแล้วม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมีความดีอยู่มากในความตายนั้นคนที่เคยจองร้างจองผานเป็นศัตรูก็จะเลิกคิดทำร้ายเลิกเป็นศัตรูคนที่เคยรักกันอยู่แล้วก็จะรักกันมากขึ้นความดีที่เคยทำไว้ซึ่งไม่ปรากฏชัดในสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ จะเด่นขึ้นทันทีเพราะไม่มีใครมาคอยปิดบังตามความดีของคนที่ตายแล้วเหตุเพราะความริษยายังมีคุกอยู่อีกอย่างหนึ่งซึ่งขังบุคคลไว้โดยคนทั้งหลาย ไม่ค่อยจะรู้สึกกันนั่นก็คือความติดอกติดใจหมกมุ้นพัวพันในทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและในบุตรภรรยามันเป็นเครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆย่อนแต่แก้ได้ยากเหลือเกินมันเป็นตารางดวงใจอย่างแท้จริงคนที่มีอิสระทางกายแต่ขาดอิสระภาพทางใจนั้น ดูเหมือนจะน่าเดือดร้อนรำคาญกว่าผู้ที่ขาดอิสรภาพทางกายเสียอีกถูกแล้วโลกนี้คือคุกที่กว้างใหญ่สัตว์ทั้งหลายผู้ที่ยังมีใจเป็นาธาตุของความโรธความโกรธและความหลงยังเบียดเบียนทำร้ายยื้อแย่งแข่งดีกันจะผิดอะไรกับไก่ในกรงซึ่งเขานำไปสู่ที่ฆ่าอยู่แต่ก็ยังจิกตียื้อแย่งเข้าเปลือกกัน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 ก็ต้องไปไประชุมกันที่ชุมทางใหญ่คือหลุมฝังศพหรืมอมิฉะนั้นก็ที่เชิงตะกอนทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาซึ่งเขาเคยยื้อแย่งกันก็ล้วนแต่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งสิน้นด้วยเหตุผลนี้แหละพระศาสดาจึงทรงพร่ำสอนให้มนุษย์พยายามสั่งสมคุณงามความดีเพราะความดีความชั่วเท่านั้นที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในโลกนี้และติดตามไปในโลกหน้า อันหนึ่งบุคคลที่ชอบบ่นว่าทำดีไม่ได้ดีนั้นเขาได้เคยสำรวจบ้างหรือไม่ว่าเขาได้ทำความดีถึงขนาดที่พอจะได้รับผลดีที่เขาต้องการแล้วหรื อ, อยังหรือว่าเขาทำความดีเพียงเล็กๆน้อยๆและต้องการให้ได้ดีมากๆหรือเปล่าเขาทำความดีถูกต้องหรือไม่เขาอาจทำความดีอย่างผิดก็ได้จึงปรากฏให้เห็นว่า ทำดีเหมือนไม่ได้ดีหรือบางทีเขาอาจจะใจร้อนเกินไปจนไม่อาจจะรอคอยผลได้จึงโวยวายร่ำร้องนานาประการการทำความดีเป็นหน้าที่ของผู้รักความดีแต่การให้ผลดีนั้นเป็นหน้าที่ของกรรมบุคคลไม่อาจจะเร่งเร้าได้เสมือนการไถ่คราดและหวานเป็นหน้าที่ของชาวนา การออกรวงเป็นหน้าที่ของต้นข้าวชาวนาจะเร่งเร้าปานใดต้นข้าวก็ไม่อาจจะออกรวงได้เมื่ อ, อยังไม่ถึงเวลาบุคคลหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นจะอ่อนวอนบิดพลิ้วประการใดหาได้ไม่ ผลของกรรมชั่วคอยติดตามบีบคั้นส่วนผลของกรรมดีคอยติดตามประคับประคองบุคคลอยู่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวเวียนไหวไต่เกิดอยู่ในสังสารวัตรนี้แต่บุคคลผู้ไม่ได้สดับย์ธรรมก็ไม่ทราบถึงความจริงข้อนี้จึงได้เข้าใจไข้เผลไปว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลอะไรคนทําความชั่วได้ดี มีสุขก็มากมายการมองชีวิตต้องมองในระยะยาวและกว้างไกลจึงจะเห็นวิถีชีวิตโดยตลอดบุคคลบางพวกถือตนว่าใช้ชีวิตอย่างฉลาดทันต่อเหตุการณ์ของโรคมองชีวิตแต่เพียงชาติเดียว แล้วยึดมั่นว่าไม่มีความจริงอะไรเลยในเรื่องกรรมและการเกิดใหม่ความจริงหากชีวิตมีเพียงชาติเดียวโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความอายุติธรรมนาน า, นาประการด้วยอย่างคนดีจำนวนมากมีความเป็นอยู่อย่างแรงแค้นแสนเข็นคนคดโกงไม่แยแสะตกกดแห่งศีลธรรมใดๆกลับมีความเป็นอยู่อย่างสบาย คนมีความอดทนไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเป็นจํานวนมากมีร่างกายอ่อนแอสุขภาพไม่ดีในขณะเดียวกันคนเห็นแก่ตัวเป็นจํานวนมากซึ่งคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวกลับเป็นคนที่แข็งแรงสุขภาพดีนอกจากนี้เด็กบางคนเกิดมาในฐานะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายและมีพรสวรรค์นานาประการแต่บางคน ทั้งๆ ท, ที่ตนไม่เคยทำผิดอะไรแต่ต้องได้รับทุกทรมานเพราะความอดอยากแรงแค้นเพราะอาวัยวะไม่สมประกอบเมื่อเป็นดังนี้โลกจึงดูสับสนวุ่นวายหาความยุติธรรมไม่ได้เสียเลยแต่ความสับสนดังกล่าวจะหมดไปเมื่อบุคคลศึกษาจนเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมพร้อมทั้งอิทธิพลของมัน ในการมีอำนาจให้ผลและประมวลลงในทฤษฎีแห่งการเกิดใหม่นี้ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากรรมย่อมจำแนกบุคคลให้แตกต่างกันเมื่อเป็นดนังนี้ผู้มีใจเป็นธรรมไม่เข้าข้างตนเองเกินไปก็จะพอมองเห็นว่าบุคคลนั้นเองเป็นผู้สร้างชะตาชีวิตของตนเป็นผู้สร้างกรรมขึ้นก่อนแล้วกรรมนั้น ก็ยอกย้อนมาให้ผลแก่ผู้กระทำเขาไม่อาจจะหลีให้พ้นผลแห่งกรรมซึ่งเขาสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะหลบลีกไปอยู่ในท้องถิ่นแดนดินใดแต่กล่ำอาจจะให้ผลเร็วหรือช้าก็แล้วแต่จังหวะและสภาวะอันเหมาะสม แต่ชีวิตความเจ็บป่วยเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างกายคือสถานที่ตายและคติหรือภูมิที่จะไปในเบื้องหน้าหลังจากตายแล้วเป็นการยากที่จะรู้ว่ามาถึงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น มนุษย์ทั้งหลายจึงมีแต่ความรังเลความไม่แน่ใจในชีวิตของตนเองพร้อมกันนั้นบางคนก็ทุ่มชีวิตลงไปในโคลนตมแห่งความชั่วช้าสา ม, มานเขาไม่ได้มีความกล้าหาญต่อชีวิตเลยแต่เขาขาดต่อชีวิตขาดอย่างเหลือเกินไม่กล้าเผชิญชีวิตอย่างทรหณอดทน ว่าบุคคลที่เคยละหกระเหินมานานวนเวียนหลงอยู่ในป่าอันรกอันหน่าหวาดเสียวด้วยอันตรายนานาประการมีอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายและไข้ป่าเป็นต้นได้อาศัยบุรุษหนึ่งชี้ทางให้ขึ้นสู่มรกาอันจะดําเนินไปสู่แดนกระเสมแม้จะยังอยู่แค่ต้นทางก็ให้รู้สึกโปร่งใจมั่นใจในความปลอดภัยชั้นใด บุคคลผู้ละหกละเหินอยู่ในป่าแห่งสังสารวัตรนี้ก็ฉันนั้นถูกภัยคือความเจ็บความแก่ความตายความทุกข์กายทุกใจเพราะเหตุต่างๆคุกคามให้วาดวันพรั่นพรึงอยู่เนืองนิดถูกความไม่ได้ดังใจปรารถนาบีบคั้นต้องเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เขาก็ยังหวังอยู่นั่นเองหวังว่าจะได้อย่างนั้น จะได้อย่างนี้พอถึงเวลาเข้าจริงๆความหวังของเขากลับกลายเป็นเสมือนภาพอันซ้อนอยู่ในปุ๋ยเมฆพอลมพัดมานิดเดียวภาพนั้นก็พลันจืดจางและเลือนหายด้วยเหตุนี้เสียงที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงระงมอยู่ในหมู่ของมนุษย์ตลอดมา หนาแหลมไค่เล่าเป็นคนเสี่ยมพริกเผ็ดไค่เล่าจะทำให้เผ็ดขนุนหวานไค่เล่าเป็นคนทำให้หวานแล ะ, สะเสดาขมไค่เล่าเป็นคนทำให้ขมล้นวนแต่เป็นธรรมชาติของมันเองทั้งสิน้นบางคนอาจจะมีภูมิปัญญาดีมาแต่กำเนิดจึงสามารถแสดงภูมิปัญญาและความรู้สึกอันสูงส่งตั้งแต่อายุน้อย ชีวิตที่ไม่มีประโยชน์นั้นเป็นเสมือนกับความตายที่มาถึงก่อนเวลาตายจริงประโยชน์ของชีวิตอยู่ที่การหมั่นประกอบคุณงามความดีผู้ใดประกอบคุณงามความดีไว้มากชีวิตของผู้นั้นก็มีประโยชน์มาก โลกทั้งโลกเป็นโรงเรียนเราเกิดมาในโลกก็เท่ากับเป็นนักเรียนนักศึกษาหน้าที่ของเราก็คือคอยรับบทเรียนที่โรงเรียนโลกจะประสิทธิ์ประสัดให้บทเรียนบางบทอาจจะง่ายเราอาจจะเรียนได้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่บทเรียนบางบทก็อาจจะยากเราอาจจะต้องเรียนด้วยความยากลําบากด้วยน้ําตา หรือแม้ด้วยชีวิตนักเรียนบางคนอาจจะชอบเรียนและเลือกเรียนแต่บทเรียนง่ายๆที่มีความสนุกสนานแต่นักเรียนพวกนี้เมื่อได้รับบทเรียนที่ยากๆหน่อยก็เกิดความท้อแท้ใจความทุกข์ใจพยายามหนีจากโรงเรียนโดยวิธีฆ่าตัวตายบ้างฆ่าครูผู้ให้บทเรียนนั้นบ้างเขาย่อมจะเป็นนักเรียนที่ดีไม่ได้ เขาจะไม่ได้รับความรู้ชั้นสูงเขาจะงูและสอบตกอยู่ในโรงเรียนของโรคนั้นตลอดไปปวงสัตว์ที่เกิดมาในวัฏจะกจำต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักสิ้นสุด ได้ประสบทุกอันเกิดจากการพลัดพรากจากคนรักของรักทุกอันเกิดจากการประสบกับคนเกลียดของเกลียดทุกอันเกิดจากปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมประสงค์พบทั้งสามอันเป็นที่เกิดที่ตายของสัตว์เปรียบเสมือนลงฆ่าสัตว์อันมหึมาที่เต็มไปด้วยสัตว์ที่จะต้องถูกประหารชีวิตระงมไปด้วยเสียงร่าไห้ ลิเทวานาการของสัตว์ผู้ประสบทุกข์ตัญหาเปรียบเสมือนความหิวที่ทําให้สัตว์เพลิดเพลินหลงไหลในวัตถุกรรมและกิเลสกามกินไปจนถึงประตูฆ่าสัตว์ชาติกามเปรียบเสมือนพนักงานที่จับสัตว์ผูกยัดเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ชลาความแก่เปรียบเสมือนเจ้าพนักงานผู้จูงสัตว์ไปสู่ที่ฆ่า มรณะความตายเปรียบเสมือนเพชฌฆาตผู้ใช้ศาสตราอันคมตัดคอสัตว์ให้ขาด <Jamie. S 1> เกียรตและอามิตรอันรู้หลานั้นเป็นเสมือนเบ็ดของในพราน ที่หย่อนลงให้ปลากระเดือกกลืนเข้าไปมันมีแต่จะทำความพินาศให้แก่ปลานั้นมารย่อมย่ำยีครอบงำบุคคลซึ่งมักเห็นอารมณ์ต่างๆว่างามไม่สำรวมคุ้มครองอินทรีย์คือไม่ระวังปลาหูจมูกลิ้นกายและใจมักให้ตกไปในอารมณ์ที่ปรารถนา ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคมีความเพียนเลวเป็นคนเกลียดค้านอยู่โดยปกติบุคคลดังกล่าวนี้เปรียบเสมือนกับไม้ที่มีลำต้นเป็นโพรงย่อมล้มลงเมื่อถูกลมพัดส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นอารมณ์โดยความเป็นของไม่งามสำรวมคุ้มครองอินทรีย์ดีรู้จักประมาณในการบริโภค ไม่เกียจคร้านมีความเพียรอยู่เสมอมีศรัทธามั่นคงมานย่อมลังควานเบียดเบียนไม่ได้ชีวิตคือการเดินทางการจบชีวิตลงฉากหนึ่งหนึ่ง เป็นการเข้าพักผ่อนชั่วคราวเพื่อจะเดินทางต่อไปเท่านั้นอันแท้จริงความตายนั้นคือความเกิดซึ่งจัดเป็นขั้นบูลฐานส่วนความแก่ความเจ็บและอุปัตวะต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องมือของความตายเท่านั้นอันที่จริงความตายก็มีใช่เรื่องร้ายอะไรมันเป็นเพื่อนที่ดีของคนเจ็บและคนซึ่งต้องทุกขทนทรมาน ในประการอื่นๆถ้าคนเจ็บและคนแก่ไม่รู้จักตายแล้วโลกนี้จะน่ารังเกียจเป็นที่สุดจะเต็มไปด้วยเสียงครวญครางของคนซึ่งมีลักษณะเหมือนเด็กที่มีอายุ90ปีขึ้นไปเหมือนน้ำที่ไม่มีการเทก็จะมีแต่ของสกปรกโสโครกมีกลิ่นเหม็นเพิ่มขึ้นทุกวันหรือเหมือนเรือนร่างกายที่ไม่มีการขับถ่ายของเสียออก มันจะน่าอึดอัดเพียงใดอุบาสิกาเอ๋ยเธอจงดูกายนี้เถิดมันอาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าผุพังซึ่งคนส่วนมากชอบคิดถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเกา มันไม่มีความยั่งยืนอุบาสิกาเอยร่างกายนี้เป็นเพียงนครแห่งกระดูกที่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่อาศัยของเพลิงทุกข์คือความแก่ความตายเป็นที่อาศัยของเพลิงแห่งกิเลสคือความถือตนและการลบหลู่คุณของผู้อื่นเป็นหลังของโรคนาน า, นาชนิดมีความตายเป็นที่สุดอุบาสิกาเอย รูปของเธอฉันใดรูปที่เธอเห็นก็ฉันนั้นจงสแสวงหาธรรมเพื่อเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งเธออย่าได้สแสวงหาโรกิยลมเลยมันเป็นเสมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำตาลเพียงนิดหน่อยเท่านั้น ใบไม้เหลืองล่วงหล่นลงจากต้นลงสู่พื้นดินบัณฑิตย่อมพิจารณาสังขารของตนแต่คนพานหาคิดอะไรไม่ความจริงธรรมชาติสอนคนอยู่เสมอแต่เป็นที่นา่าเสียดายว่าคนไม่ค่อยจะรู้และเข้าใจถึงสิ่งที่ธรรมชาติสอน